เขตร้อยแจ้ง 191 สํานัก แผ่นดินรัตนโกสินทร์ซึ่งมีอายุกว่า 220 ปีนี้ได้เกิดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองเวทสุวรรณสโร อดีตเจ้าอาวาสกรุงเทพมหานครนับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ 5 ให้ความเคารพเลื่อม ก็พระเจ้าบรมวงเธอกล่าวถึงพล ถ้าจะกล่าวถึงหลวงปู่เอี่ยม 5 เช่นเดียวกันด้วย เมื่อย้อนภูมิหลังเจ้าคุณเฒ่าหรือหลวงปู่ ในครั้งนั้นครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จนต้องยอมสละดินแดนส่วน พระองค์องค์ทรงสนพระทัยในการ มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าก่อนพระองค์เสด็จต่างสาปุสสะเทโวถวายพระพรแนะ และวิทยาคุณวิทยาคุณมาและพระมงคลพุทธาคมคัมภยากรเกณฑ์รัชชาตาฉันษาและ บรรษณเดชพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีรับสั่งให้อาราธนาหลวงปู่เอี่ยมเข้า แต่ในโอกาสที่ เมื่อพยากรเสร็จหลวงปู่เอี่ยมก็ถวาย ขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่ในประเทศ 2-3 คนผลัดกัน ในที่นั้นที่รูปร่างสูงใหญ่มีม้าอยู่ตัวหนึ่งรูปๆในที่นั้นนายโคบานหลาย นายโคบานบางคนถึงกับได้รับบาดเจ็บ เจ้าชายฝรั่งเศสทูลถามต่อไปว่าแล้วคน ให้ปรากฏแก่สายตาชนต่างด้าวให้ประจักษ์พลพระองค์ไม่ทรงๆลง แล้วจึงทรงพระราชเดินออกไปประมาณ 2 3 ก้าวณกอหญ้ากอหนึ่งก้มพระวรกาย ม้าตัวนั้นก็อ้าปากรับพร้อมกับบดเคี้ยว พระองค์มิได้ทรงรีรอพระทัยตะอย่างใดอีกแล้วทรงขึ้นประทับบน ได้เห็นพระบารมีต่างก็โห่ร้อง หลังจากเสด็จลงจากหลังม้าพยศตัวนั้นแล้วพระองค์ทรงแยมพระสวนตรัสถามเจ้าชายฝรั่งเศสว่าม้าในประเทศฝรั่งเศสที่ดูกว่านี้ยังจะมีอีกไหมเจ้าชายฝรั่งเศสได้ฟังคำถามดังนี้ก็ถึงกับอึ้งอันใดและไม่สามารถจะกราบทูลว่าอย่างไร พระรันทเสด็จนิวัตถึงกรุงเทพมหานครแล้วพระรัฐเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในต่างแดนให้ฟังทุกประการและทรงเอยได้เสด็จมาถวายๆจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสในหลวงปู่เอี่ยมเป็นอย่างสูงพระคาถาที่หลวงปู่เอี่ยม วิเสเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโส ประวัติวัดหนังซึ่งเขียนขึ้นโดยพระวิเชียรกวีฉัตรอินทสุวรรณโณกล่าวว่าพระภาวนาสุวรรณสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดหนัง ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมพุทธศักราช 2375 ในแผ่นดิน 3 หลวงปู่เอี่ยมเป็น มีภูมิลําเนาเดิมอยู่ที่ริมคลองบาง 9 ปีมาอยู่ที่วัดหนังเพื่อศึกษา จึงเข้าศึกษาพระปริยัติธรรมในสำนักพระปีจึงตัด จากนั้นไม่ 22 ปีเข้ารับการอุปสมบทเกิดเป็นพระอุปชาพัทธสีมาจีนกับพระอาจารย์รอด วัดนางน้องเป็นพระกรรมวาจาจารย์ภายสุวรรณสโร จากนั้นได้รอดพรรษากับพระธรรมเจดีที่วัดนางหนองเหมนแห่งวัดราชโอรสาราม ต่อมาท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรอดถูก เพราะไม่ถวายอดิเรกในคราว 2441 เวลานั้นท่านมีพรรษาได้ 16 พรรษาบ้าน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน ครองเจ้าอาวาสวัดหนังถึงแก่มรณภาพลงจึงทรงโปรดอาราธนาให้หลวงปู่เอี่ยมมาเป็น ทำนองเดียวกับเจ้าพระคุณมีหลักฐานปรากฏชัดว่า ทางพุทธาคมและวิปัสสนาธุระหลวงปู่เอี่ยมได้รอดเจ้าอาวาสวัดนางนงซึ่งเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ของท่านเรื่อง เรื่องราวเป็นที่สนใจกันมากในวงการพระหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเป็นที่สน ได้มีผลเป็นอัศจรรย์หลวงปูเอียม ก็ได้เข้าพัฒนาบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถพระวิหารเสนาสนะต่างๆที่ชํารุดสุโสมในระหว่างการ ของพระองค์เองทั้งนี้พระวิเชียร 25 สิงหาคมเวลาราว 15:00 น. เศษกําลังพระครูสังวรคําครั้งนั้นยังเป็น และพระวิหารอยู่พระวิหารอยู่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า โฉขวาเขายกขึ้นแล้วสมทาน <ม. S 1> พระเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถแล้วทอด และทรงกรุณาโปรดกล่าวการเสด็จประพาสวัดหนังครั้งบาทแด่พระสงฆ์ หากพูดถึงจริยวัตรของหลวงปู่ก็ หลังจากตื่นนอนแล้วหลวงปู่จะล้างหน้าด้วยน้ำชาในปั้นที่เขาชงถวายไว้แต่ในตอนกลางคืนปั้นหนึ่งแล้วท่านก็เช็ดหน้าด้วยผ้าเช็ดหน้าขนหนูหลวงปู่มีผ้าขนหนูหลายผืนสำหรับไวยผัดกันใช้จนทุกผืนมีสีเหลืองเหมือนกันหมดเมื่อตอนท่านสิ้นเขาได้รวบรวมผ้าขนหนูของท่าน ทั้งเก่าและใหม่เก่าและใหม่รวมได้ถึง 18 ผืนมีผู้มาขอไปคน <songs episódio Frozen Hai> <altogether> <offs> ที่ลูกศิษย์ต้มน้ําร้อน หลวงปู่ก็จะต่อเวลาให้อีกครึ่งชั่วโมงถึง สมัยนั้นพอตกค่ําเข้าก็มืดเพราะยังไม่มี โดยจะไม่เปิดโอกาสให้นักคุยจะไม่เปิดโอกาสให้นักคุย ท่านจะร้องเรียกเนนจะร้องเรียกเน้นหรือเด็กจนเสียงๆในบริเวณนั้นแม้ที่ที่ท่าน ท่านเดินมาเห็นพระเนนกําลังถัดใบณที่นั่นฟังดังดังชัดแจ้ง พระปลัดแจ้งก็ได้เพราะพระปลัดแจ้งมากรักความเป็นระเบียบๆเป็นประจําท่าน เมื่อสงน้ำเสร็จแล้วท่านจะไม่ยอมให้ เรียนว่าให้หลวงปู่ผสมน้ำเย็น จุ่มน้ำชาเช็ดตัวทําความสะอาดแทนการสรงกระป๋องที่ๆหลวงปู่จะใช้หม้อชิดหลวงปู่ ใกล้กับเวลาที่หลวงปู่จะมรณภาพนั้นเห็นว่า ท่านก็บวนทิ้งก็บ่นทิ้งพลางบ่นพึมพำว่าเจ้าพวกนี้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้นระหว่างที่ท่านลาสิกขาบทจากสามเณรท่านเคยถูกต้อง จากนั้นก็ไม่ปรากฏอีกเลยนั้นก็ไม่ปรากฏอีกเลยเพราะได้อุปสมบทเป็นพระตลอดมาซึ่งท่านจะไม่ยอมให้คลาวาสปลงผมของท่านเป็น และสามเณรลงอุโบสถทุกวัน 2-3 ปีปนจะถึงการ หลงกูก็จะแสดงออกในลักษณะของความเมตตาปู่เมื่อได้ราบสการะใดมาจะแสดงออกในลักษณะของ บางครั้งหรือว่ากล่าวใครบ้างก็รู้สึกไม่รุนแรงดุหรือว่ากล่าวใครบ้างๆเบาๆอีกประการหนึ่งหลวง มอรณภาพระหว่างที่อาพาธด้วยโรคชรานั้นหลวงปู่พอ 20 วันเศษก่อนหน้ามรณภาพเท่านั้นที่ บางคราวขณะฉันข้าวต้มเสมหะหุ้มข้าวเต็มไปหมด 2-3 ครั้งจนกระทั่งประมาณ 7-8 วัน ขณะนั้นหลวงปู่นอนอาพาธอยู่บนที่นอนหน้ากุฏิ หลวงตาและมาบวดเมื่อแก่แล้วที่หลวงปู่กล่าวถึงนี้ก่อนบวชเคยเออนี่ ต่อมาอีก 2 วันหลวงปู่ก็เรียกลูกศิษย์เข้ามาหาท่านอีกพูด ปรากฏการณ์เหล่านี้คือคตินิมิตของหลวงปู่ มาตลอดอายุไขของท่านแล้วต่อมาจากวันนั้นอายุไขของท่านแล้วต่อมาจากวันพุทโธตามอัฐาสะปัดศาสะเฉพาะตอน จงจรรใจต้องปล่อยให้ 27 ปีเศษจนอายุ 94 ปีมรณภาพด้วย ณวัน 29 เมษายนพุทธศักราช 2469 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 บีขารพระภาวนาโกศลเถระดำรงอยู่ใน หรือปลูกสร้างปูชนียสถานเสนาสนะตมอจนสิ่งอุปโภคบริโภคในพระ ถึงแม้คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจะได้จำกัดเขตการอุปัชฌาออกไป หลวงปู่เอี่ยมไม่โอ้อวดอุตริมนุษยธรรมท่านมักจะกล่าวอยู่ สำหรับเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงปู่เอี่ยมรุ่นแรกในปี 2467 รังสรรค์ขึ้นเพื่อสมนาคุณแก่ แบบและแบบลงยาและและเนื้อทองแดงลงยาเหรียญแบบธรรมดาปั๊มด้วยเนื้อเงินและเนื้อทอง สิ่งนี้แกะบล็อก 4 จุดโดยสังเกต 2467 ที่ด้านหลังเหรียญจะมี 2 ด้านด้านเม 3 เม็ด 4 เม็ดด้านหน้า ในข้างแขนทั้งสองลักษณะนั่งสมาธิบนโต๊ะขาสิงห์ข้างแขนทั้ง ดิเรณ 11 ปีมรงจตวาสกด้านหลังเหรียญเป็น 4 ด้านบนเป็นตัวอุณาโลมหาง มีอักขระแถวล่างว่าและในหมวดหัวยันอะอุแถวล่างนะมะภะทะ 2467 และแกะลวด รองตำแหน่งเหรียญยอดนิยมหมายเลขแต 2 แต่ปัจจุบันสุวรรณสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดหนังวรวิหารที่นำมา โดยเป็นที่ประจักษ์แจ้งกันดีแล้วหลวงปู่เอี่ยม ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เกียรติปลูกเสก ยังมีอีกมากมายด้วยกันหลายสิบท่านซึ่งเราสุวรรณสโรได้ และอำนวยพรสวัสดี